ชีวิตของพวกเรานี้มีทางเดินอยู่สองทางด้วยกันที่เราจะสามารถเลือกเดินกันได้ทางที่หนึ่งเรียกว่าทางโลกทางที่สองเรียกว่าทางธรรมทางที่หนึ่งคือทางโลกนี้คือทางสู่กองทุก แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏในตายภพคือในการมาภพในรูปภพและอรูปภพเรียกว่าทางโลกทางที่สองเรียกว่าทางธรรมทางสู่การหลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางสู่มรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่าทางธรรมเป็นทางเดินของชีวิตของพวกเราที่พวกเราสามารถเลือกเดินได้ในภพนี้เพราะว่าในภพนี้เรามีพระพุทธศาสนา มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนมาบอกให้พวกเรารู้จักทางธรรมกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครมาสอนมาบอกพวกเราให้รู้จักธรรมธรรมกันพวกเราก็จะไม่มีทางเลือกเราก็จะมีทาง ไปเพียงทางเดียวเพราะทุกคนก็รู้จักทางนี้กันทางเดียวคือทางของไตรภพทางของสังสารวัฏทางของการเวียนว่ายตายเกิดทางของการเกิดแก่เจ็บตายชาตินี้พวกเราถือว่ามีโชคมากที่ได้มาเกิด มาพบกับพระพุทธศาสนาผู้ที่จะสอนให้เรารู้จักทางธรรมทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างพวกเราสักครั้งหนึ่งและก็ตั้งอยู่ได้ไม่นาน คือได้ประมาณห้าพันปีสำหรับพระพุทธศาสนาของปัจจุบันนี้ที่เราได้มาพบได้มารู้จักจะอยู่ได้ประมาณ5 0 0พันปีคือจะมีการสั่งมีการสอนมีการบอกทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จะมีอยู่ประมาณ 5,000 ปีด้วยกันตอนนี้เราก็มาเลยครึ่งทางแล้วคือมา 2,510 เท่าไหร่18 2,518 แล้ว เ, ออเราก็เมื่อเ่18 2 5 6 11มงกับขอสอขอสอ2 0 1 8 พศออนี้ 2,561 โมเดีความจำไม่ค่อยดีหลงหลงิลง่มลืมขออภัยด้วยก็มาการเกิงพุท ธ, ธกาลเกิดพุท ธ, ธกาลก็ครึ่งครึ่งหนึ่งของ 5,000 ก็เมื่อ61ปีที่แล้วเรามีปีที่เรียกว่าเกิงพุท ธ, ธกาลเมื่อปี 2,500 ีเข้ามา2 5 6พปีเวลาที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งสอนมาบอกทางทำให้แก่พวกเราก็จะมีน้อยลงไปเพราะอะไรจะมีน้อยลงไปเพราะผู้ที่สนใจที่จะมาทางธรรมมีน้อยลงไปนั่นเองคนที่จะมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุ ธ, ธรรม แล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆสมัยนี้คนบวชกันน้อยลงไปมากสมัยก่อนนี้คนไทยที่เป็นผู้ชายอายุยี่สินี่ต้องบวชกันทุกคนและบวชก็อย่างน้อยก็หนึ่งพันษาสามเดือนด้วยกันจะได้ศึกษาได้รู้จักพระธรรมคำสอนได้รู้จักทางธรรมกัน แต่ยุคนี้เดี๋ยวนี้บางทีบ่นกันได้ไม่ถึงสมเดือนพราเดี๋ยวนี้ต้องไปทํางานทําการทางกับบริษัทบริษัทนี้ก็ไม่ให้หยุดนานๆเขาใ ห, หยุดได้สิบห้าวันเนืองหนึ่งเดือนก็ถือว่ามากแล้วเพราะว่าถ้าหยุดมางๆเขาก็จะขาดคนงาน แล้วการทามาหากินของเขาก็จะสะดวกได้สมัยก่อนนี้เราเป็นสังคมของชาวนาชาวไร่เราไม่ได้ทำงานกับบริษัทเราทำไร่ไถนาเราก็เลยมีเวลาว่างที่จะมาบวชกันได้มาศึกษาธรรมกันมาบวชได้ทั้งพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือน แล้วถ้าบวชไปแล้วเกิดมีความศรัทธาปฏิบัติไปแล้วได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็อาจจะอยู่ต่อไปโดยไม่สึกเลยก็ได้อย่างครูบาอาจารย์บางรูปที่เรากราบว่าบูชาท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตท่านบวชตามประเพณี แ่นหลวงตามหาบุตรท่านก็ไม่มีตอนที่ท่านเป็นคาราวา่าตอนที่ท่านอายุครบบวชท่านก็ไม่เคยคิดจะบวชแต่เนื่องจากบิดามารดาต้องการให้บวชท่านก็เลยจําเป็นต้องบวชตามความปรารถนาของบิดามารดาไม่มีความคิดที่อยากจะบวชเลยในใจท่านพูดท่านเล่าให้ฟัง แต่เนื่องจากความเคารพลักบิดามารดาที่เชื่อว่าการบวชของลูกจะช่วยพาให้บิดามารดาได้พ้นอบายลายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายก็เลยยอมบวชพอท่านบวชแล้วท่านก็เป็นคนจริงจังไม่ใช่เป็นคนที่ทำอะไรเล่นๆทำอะไรนี่ท่าน เอาจริงเอาจังพอบวชแล้วก็ศึกษาเอาจริงเอาจังปฏิบัติเอาจริงเอาจังตามหลังทำคำสอน <c oughs> จนทำให้ท่านได้สมัมสัมผัสกับธรรมที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงจึงทำให้ท่านอยู่ต่อแม่ลาศิกขา แล้วก็ทำให้ท่านขวนขวายศึกษาเพิ่มมากขึ้นแล้วได้รู้จักครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่เป็นผู้ที่ได้บรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนั่นก็คือหลวงปู่มัน่นอาจารย์มั่นโทลิทัสตะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ท่านตายไปอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุแสดงว่าท่านได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลวงตามหาบวัวท่านก็มีศรัทธาในหลวงปู่มั่นว่าท่านก็เลยตามหาติดตามและไปขอย ศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มัม่นอยู่ถึง9ปีด้วยกันได้ศึกษาได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นก็ขั้นก่อนที่ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุขั้นสุดท้ายหลวงปู่มัม่นก็มรณาภาพไปก่อนแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติ ด้วยตนเองต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีคู่บาอาจารย์แต่จะช้าหน่อยเพราะเวลาติดปัญหาติดขัดที่ตรงนั้นตรงนี้จะไม่มีใครมาช่วยแก้ให้ต้องแก้ด้วยตนเองต้องลองผิดลองถูกแต่ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้รุ่งรงไปได้และสามารถหลุดพ้น จากการเวียนว่าตายเกิดได้ไม่กี่เดือนหลังจากที่หลวงปู่มั่นท่านได้มรณภาพไปแล้วท่านก็เลยได้อยู่ทำกิจของศาสน า, ศาเผยแผ่พระธรรมเผยแผ่ทางธรรมให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเรานมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาที่ไปศึกษาไปปฏิบัติ ได้บรรลุธรรมกันก็มีหลายรูปด้วยกันแล้วก็ได้มาทำหน้าที่เผยแผ่ทาทธรรมเผยแผ่ธรรมะให้แก่พวกที่ไม่รู้ทางธรรมกันนะครับนี่คือชีวิตหรือการอยู่ของศาสนาอยู่ได้ก็เพราะว่ามีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติมีผู้ บรรลุธรรมแล้วก็นำเอาธรรมที่ได้บรรลุมาเผยแผ่สั่งสอนแต่จำนวนของผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมมาเผยแผ่ธรรมนี้มีจำนวนน้อยลงไปตามลาดับเนื่องจากภาวะของสังคมทางโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกกันจึงเป็นเรื่องที่ เป็นสิ่งที่ดึงดูดจิตใจของสัตว์โลกที่ไม่ฉลาดที่ไม่เห็นความทุกข์ในความเจริญของทางโลกทําให้ลหลงไหลข้างไกลติต็นยู่กับการหาความสุขทางโลกหาลาบยสศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันจึงไม่ค่อยอยากจะมาบวชกัน พอเวลามาบวชนี่จะต้องสละความสุขทางราบยศรสเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไฟนั้นเองนี่คือทําไมศาสนาจึงจะต้องเสื่อมลงไปเพราะว่าผู้ที่จะมาสืบท อ, อดพระศาสนาจะมีจํานวนน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่มีใครมาบวช มาศึกษามาปฏิบัติต่อไปวัดวารารามนี้จะมีแต่พระพุทธรูปไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าหรือถ้ามีก็เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่รู้เรื่องธรรมะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่บรรลุธรรมไม่เผยแผ่ไม่สั่งสอนธรรมวัดก็เป็นเหมือนวัดร้างร้างจากศาสนา หลังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ในวัดก็มีพระพุทธรูปเต็มไปหมดมีพระไตรปิฎกเป็นหลายๆตู้มีพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ไม่มีธรรมะในบุคคลในสิ่งต่างๆเหนั้นมีพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครเรียนไม่มีใครอ่านก็เป็นเหมือนกับกระดาษเปล่าๆ ถึงแม้จะเป็นคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่มีใครศึกษาไม่มีใครสนใจเข้าวัดก็เข้าไปเพื่อขอลาบยศสรรเสริญขอความสุขทางตางหูจมูกเมือกายจุดเท้กเตียนสามดอกแล้วก็กราบพระขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้ขอให้ได้เวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง โดยไม่รู้สึกตัวเพราะสิ่งที่ขอเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่ขอนั้นจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามาขอลาบยศสรรเสริญขอความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอันนี้เป็นการขอให้ติดอยู่กับโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าถ้าต้องการลาบยศสรรเสริญต้องการความสุข ทางตาหูจบวกร่างกายก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าการที่จะมีความสุขจากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัต่างๆได้นั้นจำเป็นจะต้องมีร่างกายนั่นเองก็จะเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมา หาลาภยศสารเสญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายถ้าหาโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็จะต้องหาโดยวิธีทำบาปกันนานๆจะมีโอกาสได้ทำบุญบ้างถ้าหาลาภยศสารเสญได้มากกว่าที่ต้องการก็แบ่งเอาไปทำบุญกันถ้าหาไม่พอก็จะไม่ได้ทำบุญ ถ้าหาไม่พอก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้ราบยศรสนเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูนกนิ้วกายให้พอเพียง<ม>ก็จะมีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายระหว่างที่อยู่ในโลกนี้ก็จะมีการทำบาปทำบุญกันแล้วพอตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีสุขหรือมีทุกข์ถ้าทำบุญไว้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกดวงวิญญาณเหล่านี้ว่าเทวดาถ้าทาบาปเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าอบายเรียกว่าเปรตบ้างเรียกว่าอสูรกายบ้าง เรียกว่านารกบ้างถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เนราฉานี่เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปในขณะที่สแสวงหาราบยศสรรเสริญสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วพอตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่สุขหรือทุกข์ แล้วพอพ้นจากบุญพ้นจากบาปแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะดวงวิญญาณมีความอยากที่จะหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายต่อไปนั่นเองก็เลยต้องมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่มาหาความสุข จากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดผลทปะกันใหม่แล้วก็มาล่องห่มล่องห้มาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องพัดภาคจากลาบยศสรรเสริญพัดภาคจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปลองมาทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย นี่คือทางโลกที่เราเรียกว่าทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนมาบอกถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบอกท่านก็จะสอนให้เราไปอีกทางเนะึงให้เราไปทางธรรมทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็นขั้นๆไปมรรคผลนี้มีอยู่สี่ขั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหลือภพชาติไม่เกินเจ็ชาติเป็นอย่างมากที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เรือกลับมาเกิดเป็นเทวดาพระอริยบุคคลทูกลูป นี้จะไม่ไปเกิดในอบายท่านปิดประตูอบายไดเพราะท่านนีดวงตาเห็นธรรมเห็นเหตุที่พาให้ไปเกิดในอบายว่าการกระทาบาปทั้งปวงท่านก็จะระงรับการกระทาบาปทั้งปวงได้ท่านก็ตายไปท่านจะไม่ไปเกิดในอบายแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันเ ยังจะกลับมาเกิดในกามาพบคือพบของมนุษย์หรือเทวดาอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าท่านยังไม่สามารถบรรลุขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าโสดาบันได้แต่โสดาบันนี้จะไม่มีวันเสื่อมกลับไปเป็นปุถุชนอีกต่อไปจะจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเราที่ไม่มีวัน ไม่มีไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยะเรายังจะไม่มีวันสิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิดในปฏิทินของเราแต่ถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วในปฏิทินของเรานี้จะเขียนไว้ว่าเหลือการเกิดในกามาพบไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมาก ไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาไม่เกินเจ็ชาติก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ก็จะขึ้นสู่ระดับที่สองระดับที่สอ ง, สงคือระดับสกิราคามี <c oughs> ก็จะตัดจำนวนของภพชาติที่จะมาเกิดในกาลมาพบเหลืออยู่เพียงหนึ่งชาติจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานี้เป็นเพียง หนึ่งครั้งแล้วถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปสู่ขั้นที่สามได้สู่ขั้นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในกามาพบอีกต่อไปแต่ยังจะไปเกิดในรูปะพบอรูปะพบอยู่คือยังไปติดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมอยู่แล้วก็ถ้าปฏิบัติต่อไปได้ขึ้นถึงระดับขั้นที่สี่ คือขั้นพระอาหารหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่เกิดในการมาพบไม่เกิดในรูปรพบไม่เกิดในอรูปรพบหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารวัดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างพวกเหล่านี้ไปอยู่ที่พระนิพพานแทน พระนิพพานคือที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระนิพพานเป็นที่มีบรล ม, มัสุขเรียกว่าปรมังสุขขังมีความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เหมือนกับโลกที่เราอยู่กันนี้โลกที่เราอยู่กันนี้มีความสุขที่มีความทุกข์พ่วงมาทุกกรณีไม่ว่าเราจะสุขกับเรื่องใดก็ตามเดี๋ยวไม่นาน เรื่องนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าเราจะสุขกับใครก็ตามเดี๋ยวเราก็ต้องทุกข์กับคนนั้น mm. เพราะว่านี่คือโลกของอนิจจังโลกของการเปลี่ยนแปลงโลกของการเกิดการดับนั่นเองโลกของการเจริญโลกของการเสือ่อมเมื่อมีการเจริญก็จะมีการเสือ่อม เวลาได้เวลาเจริญก็ดีใจเวลาได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขกันพอสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงเกิ่นลดพลทพพาไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจกันจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอ เพราะว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลสภาพนี้เป็นอนิจจ์อนิจจ์ก็คือมีเจริญต้องมีเสื่อมมีเกิดต้องมีดับไม่ใช่เกิดมาแล้วจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีพ อ, อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมต้องหมดไป่ อ, อผู้ที่มาสัมผัส ก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาสิ่งที่ได้สัมผัสนั้นหมดไปเสื่อมไปนี่คือโลกของของกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสุขมันเป็นสุขต้นแต่มันจะทุกข์ปลายมันเป็นของที่ตามมาด้วยกันเป็นเหมือนปลาท่องโก พ่าต้องโก้นี้มันไม่มาเดี่ยวมันมาคู่ยันใดความสุขในโลกนี้ก็ไม่มาเดี่ยวสุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กันไม่ว่ากับเรื่องใดกับใครกับสิ่งใดก็ตามมันได้มาแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสุขก่อนเวลาได้มาสุขกันดีใจกันเยิ้ยมเย้มแจ่มใสกันแล้วไม่นานเดี๋ยวสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปหหมดไป พอเปลี่ยนไปหมดไปสุขก็หายไปทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบอกทางธรรมพวกเรานี้ก็จะไม่รู้ทางเลือกอื่นก็จะไปทางนี้กันทุกคนคนที่ไม่เข้าวัดนี้ทุกคนไปทางลาบยศสรรเสริญ ไปทางลูกเสียงกลิ่นรดผลธรรากันทั้งนั้นเพราะเขาคิดว่านี่คือทางเดินของเขาเขาไม่คิดว่ามีทางเลือกทางอื่นเขาคิดว่านี่คือทางที่ดีที่สุดสำหรับเขาเพราะเป็นทางที่เขาสามารถมีความสุขได้แต่เขามักจะมองข้ามความทุกข์ไปแล้วพอเกิดความทุกข์เขาก็มาถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนนั่นเองว่าความสุขที่เขาต้องการนั้นมันมีความทุกข์ติดมาด้วยเหมือนปลาท่องโกมันไม่ได้มาข้างเดียวมันมาสองข้างมันมาเป็นคู่ความสุขทางโลกนี้มันมาคู่กับทักความทุกข์ทางโลกเพราะความสุขทางโลกมันเป็นความสุขชั่วคราว เป่ความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องหมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่แต่ความทุกข์นี้เราจะมองไม่เห็นกันเพราะมันอยู่ข้างหลังความสุขเหมือนกับเบ็ดที่ติดอยู่ที่อยู่ที่อยู่ภายในที่เหยื่อพุ่มห่อไ้ปลาที่เห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นเหยื่อรวนรวนคิดไม่คิดว่าจะมีตะขอเบ็ดรอเกี่ยวปากมัน ถ้ามันรู้มันมันรับรองได้ว่ามันไม่หุบเหยื่อนั่นแน่นอน mm. แต่มันไม่รู้มันคิดว่ามีแต่เหยื่ออันโอชะ mm. เห็นปั๊บก็ตะคุบปัป๊บเลยคุบเข้าปากเลยพอคุบเข้าปากก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากติดปากถูกเขาลากจับขึ้นไปฆ่าแกงเลยอันนี้ก็เหมือนกันความสุขทางโลกนี้เป็นเหมือนเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ พวกเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในความสุขนั้นพอความสุขนั้นมันหมดไปเมื่อไหร่ความทุกข์มันถึงปรากฏขึ้นมาเหมือนกับายาขมเคลือบน้ำตาลนี่เวลาอมใหม่ๆนี้มีแต่รสหวานเพราะว่ามีน้ำตาลเคลือบยาขมอยู่แต่อพออมไปสักพักหนึ่งพอน้าตาลละลายหมดนาทีนี้ก็จะเอะกับความขมเลย ที่นี่ก็คืนไม่เข้าขายไม่ออกนะนี่คือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้คนที่ไม่ฉลาดก็จะติดเหมือนปลาที่ไม่ฉลาดที่ไปหุบเหยือ่อแล้วก็แปลกคนที่ไม่ฉลาดในโลกนี้กี่มีมากแสนมากทุกคนก็หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเพราะอะไรเพราะใจถูกความโง่เขา เบาปัญญาหอ่อห้มอยู่เรียกว่าโมหะอาวิชานี่อไม่มีใครคิดเป็นเลยว่าความสุขทางโลกนี้มันจะนำไปสู่การหลั่งน้ำตานำไปสู่การเศร้าโศกเสียใจคิดไม่เป็นการแปลกมของที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นกันชัดชัดเห็นคนหนึ่งเขาลอ้ลองห่มล้องห้กันแต่ตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องเป็นเหมือนเขาคิดไม่เป็น ไม่ยอมคิดกั น, น, นคิดเพียงแต่ว่าสุขอย่างเดียวได้มาแล้วจะสุขแต่ไปเห็นคนที่เขาล้องห่มล้องหา้างก็ไม่เคยคิดว่าเราต่อไปก็จะต้องเป็นเหมือนเขาทำไมเขาล้อห่มล้องห้งหางก็เพราะเขาไปหุบเหยื่อเหมือนกับเรานี่แหละ <S <S> <S เขาไปหุบ ก, ก่อนเราพอเหยื่อมันพอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวป่ากเขาก็ล้องห่มล้องห้างขึ้นมาแต่เรายังไม่ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก ยังเพียวเหยื่ออยู่เดี๋ยวพอเหยื่อหมดไปเจอเบ็ดเข้านทีนี้ถึงจะรู้อ๋อทาไมเขาถึงร้องห่มร้องไห้กันเราก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกับเขานานๆนนจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าแล้วกันพวกนักบวชทั้งหลายเขาเป็นคนฉลาดเขาเห็นว่าการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรส นี้จะต้องเจอความทุกข์เขาก็เลยหนีไปบวชกันพวกฤาษีชีไฟต่างๆพระพุทธเจ้าก็ตามไปอยู่กับพวกนี้เพียงแต่ว่าพวกนี้เขายังไม่สามารถหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ได้ความสุขที่เขาหาได้ที่เกิดจากการเข้าสมาธิก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เหมือนกันเวลาออกจากสมาธิมา ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ได้เหมือนกันแต่ก็ยังทุกข์น้อยกว่าความทุกข์ที่ได้จากการไปทุกข์กับลาบยศจรรเสรญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นโลดผลธภักด์เพราะเขาสามารถกลับเข้าไปหาความสุขในสมาธิได้ทุกเวลาที่เขาต้องการเวลาเขาออกจากสมาธิมาแล้วเขาเจอความทุกข์เขาก็กลับเข้าไปหาความสุขในสมาธิได้ แต่ถ้าคนที่ทุกข์กับราบยศสรรเสนนี่บางทีกลับไปไม่ได้พอลาบหมดเงินหมดนี่จะกลับไปหาเงินอีกเงินมันไม่มาเหมือนเมื่ อ, อก่อนนีมันก็ยังต้องทุกข์ต่อไปอนั้นความทุกข์ทางลาบยศสารเสญความทุกข์ทางรูปเสียงกลิน่นรสนี่จะทรมานมากกว่าความทุกข์ของพวกฤาษีชีไรที่เข้าสมาธิที่ทุกเวลาที่ออกมาจากสมาธิ เพราะเขากลับเข้าไปในสมาธิได้แต่พวกที่สูญเสียความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นลดผลเฉพาะนี้จะกลับไปหามันใหม่ไม่ได้มันไม่ยอมกลับมาเงินมันหายไปแล้วมันไปเลยพอหมดเนื้อหมดตัวมันหมดเลยมันไม่กลับมารวยใหม่แล้ะแฟนที่ทิ้งเรามันก็ทิ้งเราไปลวมันไม่กลับมาหาเราอีกละจึงทาให้ทุกข์มาก ทุกเย็นกรนทั่งถึงข่าตัวตายไปก็มีก็โดดติกตายกินยาพิศตายยิงเปืนตายเพราะว่าทษกับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกล็ดลดฝนทพะไปไม่ได้แต่เราสมัยนี้เราโชคดีเราไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มาสอนให้พวกเราถอนตัวออกจากทางโลกกันให้เราเข้ามาทางธรรมกันเราไม่จําเป็นที่จะต้องถอนแบบร้อยเปอร์เซนทีเดียวเลยปุ๊บปั๊บเลยเพราะมันทําไม่ได้มันยากเราเคยถนัดทางไหนเรามักจะไปทางนั้นจะให้เปลี่ยนไปอีกทางแบบทันทีทันใดนี้มันทําไม่ได้เหมือนกับเราถนัดมือขวา เราอยู่ดีๆให้เรามาใช้มือซ้ายให้เลิกใช้มือขวานี่เราคงทําไม่ได้เพราะไม่ถนัดนสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือค่อยๆหัดใช้มือซ้ายไปทีเราเล็กทีเราน้อยคิดว่าต่อไปมือขวาเราอาจจะขาดอาจจะเสียเราต้องหัดใช้มือซ้ายไว้สํารองอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เรารู้แล้วว่า ทางโลกนี้มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดความสุขที่เราได้จากทางโลกมันจะค่อยๆมันอาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้มันยังไม่หมดเราก็แบ่งเอาเวลามาหาความสุขทางธรรมกันบ้างดีกว่าอย่าไปพึ่งทางโลกเพียงทางเดียวเพราะเดี๋ยวเกิดมันสะดุดหรือมันหมดนี่มันจะทำให้เราไม่มีอะไรมาให้ความสุขกับเรา ถ้าเรามาเริ่มเริ่มสร้างทางใหม่กันเกิดทางเก่าม่มีปัญหาเรายังมีทางใหม่เป็นที่พึ่งได้เรายังมีความสุขจากทางใหม่เป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขกับเราได้ถ้าเรามาทําตามที่พระพุทธจเจ้าทรงสั่งสอนให้ทํกทรทํานี้ทําอย่างไรทำทำก็ต้องทําด้วยทานทําด้วยศีลทําด้วยภาวนานี้เอง เราก็มาหัดทําทานกันวันนี้แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นเราก็เอามาทําบุญทําทานกันจะมาทําที่วัดก็ได้ทําที่โรงเรียนคนเด็กยากจนก็ได้ทําที่โรงพยาบาลก็ได้ทําที่บ้านคนชราก็ได้ทําที่โรงเรียนเด็กพิการก็ได้แทนที่จะ เอาเงินมาหาความสุขให้กับเราเราเอาเงินนี้ไปให้ความสุขแก่คนอื่นดีกว่าเพราะเราจะได้บุญกลับมาได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวจากการไปซื้อของฟุ่งเฟือยต่างๆเพราะมันเป็นความสุขเดียววแต่ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือนคนอื่นนี้เป็นความสุขที่ลึกซึ้งกว่า ที่อิ่มกว่าปลื้มใจกว่ามีความสุขมากกว่าอันนี้เป็นวิธีแรกเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขจากราบยศจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอามาซื้อบุญดีกว่าซื้อความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานแล้วมันจะทำให้เราเลิกใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆได้ ต่อไปเราไม่ต้องไปเที่ยวกันไม่ต้องไปดูน้ำฟังเพลงไม่ต้องไปกินไปดื่มกันไปเลี้ยงกันเราไปทำบุญกันดีกว่าเวลาทำบุญแล้วใจเราจะสุขกว่าอิ่มกว่าใด้นานกว่าอยู่คู่กับใจไปได้นานกว่าแล้วจะทำให้ความอยากที่จะใช้เงินกับความสุขทางตาหูจมูกลึ้นกายนี้หมดไป ไปเราจะไม่รู้สึกอยากจะไปเที่ยวไหนไม่รู้สึกอยากจะไปซื้อของฟุฟ่มเฟือยไม่อยากจะซื้อของหรูหราของแพงๆซื้อมาก็เท่านั้นของแพงของถูกมันก็เหมือนกันกระเป๋าเนี่ยใบละหมื่นก็ได้ใ บ, ล ะ, บละพันก็ได้ฟีก็ได้ี่ถุงพลาสติกที่ไปซื้อของตามร้านนี่ก็เป็นกระ เ, เป๋าเหมือนกั น, กนของฟีไม่ใช้กันชอบใช้ของแพงกันมันก็เหมือนกัน ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวเหมือนกันได้กระเป๋ามาเหมือนกันได้กระเป๋าหมื่นก็ดีใจเดี๋ยวเดียวได้กระเป๋าพันก็ดีใจเดี๋ยวเดียวได้ถุงฟรีมาใช้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเหมือนกันเรื่องไรจะต้องเสียเงินเสียทองให้มากไปเปล่าๆเพราะเงินทองต้องหากันแล้วถ้าไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาโดยวิธีทำบาปก็จะทําให้ต้องไปติดคุกติดตาราง ในโลกทิพย์ต่อไปเวลาไปทำบาปตายไปก็ต้องไปติดในอบายอบายก็คือคุกตารางของดวงวิญญาณที่ตายจากโลกนี้ไปนั่นเองงั้นการทําบุญนี้มีประโยชน์มากกว่าจะป้องกันไม่ให้เราไปอบายกันเพราะถ้าทําบุญแล้วใจเราจะอิ่มใจจะไม่หิวโหยจะไม่ได้อยากได้กระเปา๋าใบละหมื่นใบละแสนจะไม่อยากได้แหวนเพชรเม็ด ห่วงลำล้านสองล้านใส่ไปทำไมใส่มันก็แค่นั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิโสอะไรขึ้นมามันก็เป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งติดอยู่กับแหวนเท่านั้นเองใส่เข้าไปแล้วก็โห้โหดีอกดีใจแล้วก็ต้องมาคอยเฝ้าคอยดูแลมันคอยห่วงคอยหวงมันเกิหายไปก็เสียอกเสียใจ แล้เงินที่จะไปซื้อแหวนราคาล้านสองล้านนี้ก็ไม่รู้จะเอาแบบไหนบางทีเงินเดือนไม่พอก็อาจจะต้องมีคอร์รัปชันมีโกงกันถึงจะได้เงินไปซื้อของหรูหราของแพ ง, แพงมาได้อะไรได้ได้ทำบาปอะไรได้ความสุขปลอมได้ความสุขเดียวๆสู้อย่าไปหาเงินแบบนี้ใช้เงินแบบนี้ดีกว่าเอาเงินไปทำบุญดีกว่า แลวความอยากจะซื้อของหรูหราของแพงๆของฟุ่มเฟือยจะไม่มีอยู่ในใจความอยากจะไปเที่ยวก็จะไม่มีอยู่ในใจอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่บ้านนี่ปลอดภัยกว่าไปเที่ยวก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอภัยอันตรายอะไรบ้างอุบัติเหตุบนทางถนนเดินทางก็อาจจะเจออุบัติเหตุไปเสี่ยงภัยทำไมอยู่บ้านปลอดภัยกว่าแต่อยู่ไม่ได้ เพราะความอยากไปมันทำให้อยู่บ้านรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจแต่ถ้าทาบุญแล้วรับรองได้ไม่หงุดหงิดลำคาญใจทุกครั้งที่เอาเงินไปเที่ยวไปทาบุญมันก็จะเลิกเที่ยวนะทุกครั้งที่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาไปทำบุญแล้วความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยมันก็จะหายไปมันก็จะทำให้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรรู้หลามีอะไรแพงๆเพราะว่ามันทำหน้าที่ได้เหมือนกันของถูกของแพงเสื้อผ้าแพงเสื้อผ้าถูกมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันไว้ปกปิดด้านกายเหมือนกันอาหารแพงอาหารถูกมันก็ทำให้ท้องอิ่มเหมือนกันฉะนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องเสียเงินเยอะๆไปทำไมกับกับสิ่งที่เราได้เท่ากัน เสียเงินไปกับของแพงก็ได้เท่ากับเสียเงินกับของถูกเ่โอเรปล่าไปซื้อของแล้วมักจะเลือกใช่ไหมอันไหนแพงเราก็ไม่เอาเราเลือกเอาของถูกกันถ้าของถูกกับของแพงมันใช้ได้เหมือนกันไปซื้อ ไ, ไปซื้อของแพงทำไมอันนี้ก็คือเรื่องของการทําทานจะทําให้เรานี้ไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องเงินทองมากเกินเกินไป เราจะพอมีพอกินพอใช้เราจะไม่ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะหาเงินมาใช้กันเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินมากคนที่ทำบุญทำทานนี้จะไม่มีความอยากใช้เงินซื้ออะไรมากมายกายกองถ้าจะซื้อก็ซื้อแค่ของจำเป็นเท่านั้นของจำเป็นก็ไม่แพงซื้อของจำเป็นที่ใช้ถ้าเราดูที่ประโยชน์ของของที่เราซื้อ ถ้าเราไม่ไปดูที่ยี่ห้อที่ป้ายที่ติดไว้กระเป๋าสองใบใบหนึ่งมีป้ายใบยหนึ่งไม่มีป้ายเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างต่างกันตรงราคาท่นึงถ้ามีป้ายก็สิบเท่าของของที่ไม่มีป้ายคนไปซื้อป้ายกันรู้ปะ่ะไม่ได้ซื้อกระเป๋านะให้คิดอย่างนี้นี่คือทำไมพระเจ้าสอนให้พวกเราทําทานกัน ก็จะทําให้ใจเราสงบสงนับความอยากที่ทําให้เราอยู่บ้านไม่ได้เออยู่เฉยๆไม่ได้ต้องใช้เงินแล้ถึงจะมีความสุขแล้วพอเงินไม่พอใช้ก็จะทําให้เราไปทําบาปกันนี่คือข้อที่หนึ่ ง, ทาง ท, างทางที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราได้ลดความอยากลง ลดความอยากเที่ยวลดความอยากซื้อของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ลงไปตัวที่จะมาผลักดันให้เรากลับมาเกิดก็จะมีกำลังน้อยลงไปแต่ยังไม่หมดยังมีอีกหลายตัวด้วยกันตัวที่สองที่เราต้องมาหยุดมันก็คือตัวที่ชอบทำบาสนี่แหละตัวนี้ที่ชอบทาบาป ท, ทำไมถึงต้องทำบาปเพราะมันยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มีอยู่ในโลกนี้ ถ้าพูดความจริงแล้วไม่ได้มันก็ต้องพูดโกโหกกันทะนี้ถ้าเรามาหยุดไอ้ตัวนี้ได้รักษาสีนได้มันก็จะทำให้ความอยากที่จะพาให้เรากำมาเกิดนี้น้อยลงไปความอยากที่จะแล้วตัวที่พาให้เราไปทบาบาปมันก็จะทำให้เราไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์อีกด้วยเวลาที่เราตายไปแล้วจิตใจของเราไม่ได้ตาย ไปกับร่างกายมันก็จะต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์อีกเราฉั้ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้ละเว้นการกระทาบาปได้มันก็จะทําให้เราตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายกันไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นผีไม่ต้องไปตกนรกกันนี่คือที่ไปสำหรับผู้ที่ทาบาปกันไม่รักษาสีห้ากัน ไปละเว้นอบายามุกนอกจากสีหน้าแล้วยังต้องละเว้นอบายามุกด้วยเช่นสุลายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเตะมีความเกลียดค้างคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิ่รอันนี้เป็นการกระทาที่จะพาให้เราไปทำบาปต่อไปเราต้องเลิกพฤติกรรมเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้ อันนี้คือการตัดความอยากที่จะเดินจิตใจให้ของเราให้ไปเกิดในในอบายนั่นเองปิดประตูอบายได้แล้วถ้าทําบุญก็ไปสวรรค์ไม่ต้องไปอบายบวดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ถ้ายังต้องการหยุดการกลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สามคือขั้นภาวนา ขั้นภาวนานี้จะตัดจะหยุดความอยากจะทำลายความอยากที่ดึงให้จิตใจของพวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันได้อย่างถาวรนะตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดมอแก่มาเจ็บ ม, มาตายก็คือความอยากในรูปเสียงกลิน่นนกเรียกว่ากามะปัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นคุณหญิงคุณนาย อยากเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นสสอส อ, อยากเป็นนายกนี่ความอยากเหล่านี้ต้องตัดไปถ้าไม่ตัดเนี่ยมันจะเดึงให้เรากลับมาหาสิ่งเหล่านี้อยู่ด้ยจะตัดพวกนี้ได้ก็ต้องภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาหยุดความคิดหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราว พอคิดใหม่ก็ความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาก็ต้องไปขั้นที่สามขั้นที่สองของการภาวนาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาต้องสอนให้ใจคิดไปในทางที่จะทำให้ไม่อยากตอนนี้ใจเราคิดไปในทางที่อยากคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงอะไรก็อยากได้ทีนี้เราคิดไปให้คิดไปในทางที่คิดแล้วไม่อยากได้ เช่นเวลาคิดถึงขนมก็ให้คิดถึงตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องอยู่ในซ่วมถ้ามันคิดถึงขนมนในสภาพแบบนั้นมันก็จะไม่อยากกินถ้าคิดถึงแฟนก็ให้คิดถึงตอนที่แฟนตายตอนที่นอนขึ้นอืดอืดพองขึ้นมามีร่างกายเขียวชำ้ำดำเขียวชำ้ำมีน้ำเหลืองไหลเยอะหมอกมา ถ้าคิดถึงร่างกายของแฟนแบบนี้แล้วรับรองไนดะ้ไม่อยากจะมีแฟนนี่คือขั้นที่สองสอนให้คิดไปในทางที่จะทําทให้ไม่อยากได้อตอนนี้เราชอบคิดไปในทางที่อยากได้เพราะอะไรเราจะคิดว่ามันสุขมันดีใช่ไหมเห็นอะไรโอ้ดีไปหมดสุขไปหมดแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องไม่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องหมดให้คิดไปในทางนี้ อย่าไปคิดในทางนิจจังสุขขังอัตานิจจังก็คือถาวรได้มาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดสุขขังจะให้ความสุขกับเราตลอดอัตาเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนตาได้มาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปมันเจรนะิญแล้วเดี๋ยวมันเสื่อมมันเกิดแนละ้วเดี๋ยวมันดับได้พอมันดับมันก็จะทาให้เราทุกข์ มันไม่เป็นของเราเพราะไม่ช้ากันเรวก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายให้คิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้แล้วจะทำลายความอยากที่มีย่ในใจให้หมดไปได้ถ้าหยุดคิดเฉยๆจะไม่ทำลายความอยากเพราะว่าหยุดคิดมันก็หยุดอยากไปชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดใหม่ก็คิดอยากขึ้นมาอีกถ้าจะ ให้มันไม่อยากก็ต้องคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่อยากต้องมองทางลบอย่าไปมองทางบวกอย่าไปมองทางสุขให้ไปมองทางทุกถ้าเห็นว่ามันทุกแล้วก็ไม่อยากได้ถ้าของที่เราจะซื้อถ้าเขาเขียนป้ายติดไว้ว่าระวังจะระเบิดได้จะซื้อไหมอันตรายระวังอาจจะระเบิดได้ทุกเวลาไม่ซื้อแน่นอนแจกให้ก็ยังไม่เอาเลยถ้าเขาเขียนว่าเป็นวัตถุระเบิด ระวังอันตรายไม่เอาดีกว่าใช่ไหมทีนี้เราไม่เห็นป้ายตัวนี้เราจะเห็นว่าดีอย่างเดียวก็จะกินว่าป้ายมันดีอย่างงั้นดีอย่างนี้นนเราไม่อ่านสรรพคุณของสินค้าแต่ละอันเลยโอ้ยดีอย่างงั้นดีอย่างนี้นนมันไม่บอกเวลามันเสียเป็นยังไงใช่ไห ม, มเวลาเสียปวดหัวไหมซื้อรถมาใหม่ ๆ, ๆก็ซื้อมาแล้วขับได้สามวันก็ต้องเข้าโอ่เงี้มันก็ไม่อยากจะซื้อละ ถ้าว่าซื้อรถคันนี้มาแล้วจะต้องเข้าอู่ยอย่างเรื่อยๆจะซื้อมาป่ะไม่ซื้อหรอกนี่มันไม่บอกเรามันโกหกเรามันบอกรถของฉันดีซื้อไปแล้วขับวิ่ง ป, ปุดบปั๊ดูโฆษณาสิโอโห ว, วิ่งไปไหนไปเท่ทั้งเท่ทั้งเก๋ทั้งทั้งเร็วทั้งหมู่อะไรเห็นแล้วก็อยากได้ขึ้นมาไม่เห็นตอนที่มันคล็กเคล็คว่ำ ม, มั่งใช่ไหมนั่นแหละเราไม่คิดกันไปในทาง ที่มันทำให้เราไม่อยากกันเราชอบคิดไปในทางที่ทำให้เราเกิดความอยากกันนี่เรียกว่าวิปัสนาคิดไปในทางที่มันเป็นความจริงเหมือนกันแต่มันะแต่เราไม่ยอมมองกันเทนั้นเองว่าสิ่งต่างๆมันจะต้องมีวันจบมีวันสิน้นไม่คิดถึงตอนที่เวลาอยากได้แฟนไม่เคยคิดว่าจะต้องอยากกันไม่คิดว่าจะต้องตา ย, ยากกัน เวลายอยากได้แฟนก็กินโอโหนิจังสุขขังอัตตาเป็นของฉันไปตลอดให้ความสุขไปตลอดแต่ที่ไหนได้ต่างกันมอกเข้ายัางไม่ทันดำก็ทะเลาะกันก็มีตีกนันก็มีเดี๋ยวก็หยากันเดี๋ยวไม่หมให้นั้นก็เกิดอุบัติเหตุตายไปก่อนก็นนะเนี่ยมีาสาวสาวแต่างงานกัน จะขึ้นเครื่องไปหอนหิมูลกันเครื่องก็ระเบิดตายไปต้องคู่กันมีนี่แหละเรียกว่าอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับที่แน่นอนก็คือต้องดับอะไรเกิดแล้วจะต้องดับความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนนี่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไป เดี๋ยวมันก็หมดไปอันนี้คือขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาให้มองไปในทางลบอย่าไปมองในทางบวกมันมีของทุกอย่างมันมีลบมีบวกให้ไหมไฟฉายมันยังมีด้านลบด้านบวกในทางไฟ้ายใช่ไหมเขาเขียนไว้บวกข้างบนลบข้างล่างเห็นไทุกอย่างที่ซื้อที่เราได้มามันก็มีบวกมีลบแต่เราไม่ยอมมองด้านลบกันเราจะมองแต่ด้านบวก แล้วเราก็เลยติดทําให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดพอหมดเช่นร่างกายเราตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่หากี่ครั้งมันก็หมดทุกครั้งไปเพราะร่างกายก็ต้องตายไปทุกครั้งพอตายก็กลับมาเกิดใหม่เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน เราสามารถหยุดมันได้ด้วยการภาวนาด้วยสามาถะภาวนาหยุดความคิดก่อนแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่สองพอหยุดความคิดได้ก็สอนให้คิดไปอีกทางหนึ่งเหมือนเราขับรถเนี่ยเราขับไปเรารู้ว่าไปผิดทางเราจะทํำยังไงเราก็ต้องหยุดรถใช่ไหมต้องหยุดรถก่อนแล้วก็ยูเทิร์น้องแล้วก็กลับรถแล้วก็กลับไปวิ่งไปอีกทาง แต่ว่าเราวิ่งไปทางสัตหีต์แต่เราจะไปพัทยาอย่างเงี้ยเรารู้ว่าให้มันผิดทางดีกว่าจะทําไงก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดน้แล้วก็อยู่เทินเลี้ยวขวากลับมากลับมาอีกเลนหนึ่งเลนที่จะวิ่งกลับไปสู่พัทยาอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ความคิดของเราคิดไปในทางเวียนว่ายตายเกิดคิดไปในการเกิดแก่เจ็บตายพอคิดไปในทางนิจจังสุขขังอัตตา เห็นอะไรก็เป็นนิจจังสุ ข, ขังมัตตาต่อไปเราต้องเปลี่ยนความคิดนี้แต่ก่อนจะเปลี่ยนได้เราต้องหยุดความคิดเก่าก่อนถ้ายังไม่หยุดเราจะไปอยู่เทิร์นได้กนเดี๋ยวลดก็คว่ำเลยใช่ไหมเราต้องไปหยุดอยู่เทิร์นที่สี่แยกที่สี่แยกไฟแดงก็จะมีที่ให้เลี้ยวกลับเราต้องไปหยุดต้นก่อนหยุดความคิดก่อนพอเราหยุดความคิดได้แล้วทีนี้เราก็ ให้มันคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งที่เห็นอะไรเคยคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็เปลี่ยนให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกครั้งที่เห็นใครว่าสวยว่าหล่อก็ต้องคิดว่ามันไม่สวยไม่หล่อมันเป็นซากศพมันมีตับไตไส้พุงมีกระโหลกศีรษะมีโครงกระดูกมีลำไส้มีหัวใจมีปอดมีไตเป็นเหมือนเครื่องนายหมูรี่เอง มีอยู่ในร่างกายของคนที่เราว่าสวยว่าหล่อถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนอ่นี่คือตอนต้นต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนยึงต้องทาสมาธิก่อนจะไปวิปัสสนาโดยไม่มีสมาธิเป็นไปไม่ได้เหมือนจะขับจะกลับรถโดยไม่หยุดต้นไม่ได้นอกจากสมัยใหม่ก็มีแลมให้ใ ห, ให้ให้กลับรถได้ก็แล้วไปเขาทําสะพานข้ามให้ กลับรถได้ก็มีแต่น้อยมากส่วนใหญ่ต้องไปหยุดที่สีแยกไฟแดงแล้วค่อยไปเดียวกลับอีกทีหนึ่งดังนั้นทางทมก็แบบเดียวกันตอนนี้จิตใจเราคิดไปในทางโลกกันคิดไปในทางเวียนว่ายตายเกิดกันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราคิดว่าเรากำลังไปหาความสุขกันเพราะสิ่งที่เราเห็นเรามองเห็นว่ามันเป็นสุขขังกันเป็นนิจจังสุขไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลง อัตตาเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปแต่ความจริงมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นนิจจังสุงขขังอนตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เดี๋ยวมันจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนาตตาเท่านั้นดงนั้นตอนต้นเราต้องหยุดความคิดเก่าก่อนความคิดที่จะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนตตาเห็นอะไรก็เฉยเฉยเกไม่ได้มีคิดว่าดีหรือไม่ดี นี่คือผลที่เราจะได้จากการหยุดความคิดใจเราจะเป็นกลางเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาเวลาเรามีสมาธินี่เวลาเราเห็นอะไรจะไม่ลักไม่ชังจะไม่กลัวไม่หลุแต่ถ้าเราเผลอเดี๋ยวกิเลสมันโผล่ขึ้นมามันก็จะหลอกให้เราไปลักไปชังขึ้นมาทันทีตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมันใช้ความคิดใหม่มาหยุดมัน พอมันจะคิดว่าเป็นนิจจังสุงขขังอัตตาเราก็ต้องบอกเฮ้ยมันมันอนิจจังทุกขังอนัตตาเว้ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างงี้อันนี้เกิดปัญญาขั้นแรกต้องหยุดความคิดที่จะไปทางอนิจจังทุกขงังนิจจังสุงขขังอัตตาก่อนพอหยุดมันได้แล้วพอมันจะคิดไปทางนั้นเราก็เดึงมันมาคิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาไนดะ้ถ้าไม่มีสมาธิมันจะคิดนิจจังสุงขขังอัตตาตลอดเวลา เราจะไม่มีกําลังที่จะดึงมันมาคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นลอนต้นเราต้องทําสมาธิก่อนต้องหยุดความคิดก่อนเพราะหยุดความคิดแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนความคิดได้ถ้ายังไม่หยุดความคิดมันก็จะคิดไปในทางเดิมคิดไปในทางนิจจังสุงขังอนัตตาเสมอเห็นย่ินนี้มีใครบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมไม่มีทุกคนว่าเป็นอนิจจังสุงขังอนัตตาทั้งนั้น แห็นแล้วก็อยากได้กันนะแต่ถ้ามีสมาธิแล้วต่อไปเวลาเห็นมันจะสามารถเปลี่ยนขัาคิดไดนะ้มันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเพราะจิตที่มีสมาธินี้ไม่หิวแล้วจิตสมาจิตที่มีสมาธนะิมีความอิ่มในตัวมันไม่หิวกับอะไรในโลกนี้ดังนั้นเวลากิเลสจะมาหลอกว่าเป็นนิจังสุ ข, ขังอนัตตามันจะรู้มันจะเฉยมันรู้ว่ากําลังจะถูกหลอก เพราะมันได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็าต้องมาฝึกคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนก็เป็นซากศพเดินได้นี่เองพอไม่มีลมหายใจก็ไม่มีใครอยากได้แล้วใช่ไหมถ้าแฟนเอาหมดลมวันนี้จะเก็บไว้ในบ้านหรือเปล่าส่งไปวัดทันทีเลยใว่ไมอมนั่นแหละให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ว่าคนที่เรารักนี่ก็เป็นธากุศพเดินได้ดีๆนี่เองรอนเวลาไปวัดกันได้ไหมพอเวลาไหนไม่หายใจเขาก็ส่งไปวัดทันทีแล้วไปลักไปห่วงมันทําไมเวลาก็ไม่อยากได้อยู่แล้วไม่คิดกันนั้นเง่งคิดว่าเขาจะอยู่กับเราเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนตตาไปเรื่อยๆไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคิดแล้วต่อไปจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไร อยู่คนเดียวแสนจะสบายไปแกว่งเท้าหาเสียนทำไมเหรออยู่ดีๆสุขอยู่แล้วเวลาแกว่งเท้าแต่ละทีนี้ไปเจอแต่เสียนตําเวลาคิดอะไรนี่คิดแต่หาเรื่องเทนั้นใช่ไหมหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้มาใส่หัวหาเหามาใส่หัวอยากได้คนนั้นอยากได้สิ่งนี้พอได้มาแล้วเป็นยังไงมาวุ่นวายกับเขาแล้วสิมาทุกข์กับเขาแล้วเพราะว่าเราไม่มีปัญญา เราไม่มีกําลังที่จะหยุดความคิดอันโง่เขลาของเรางั้นเบื้องต้นเราต้องมาหัดหยุดความคิดด้วยสติก่อนต้องพุโทโธพุโทโธพุทโธอย่าปล่อยมันคิด<ม>พอมันจะคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นยจะต้องคิดกับพุโทโธพุทโธไปเรื่องที่จําเป็นเช่นเรื่องธรรมากินยังต้องทําอยู่ก็ให้มันคิดได้แต่เรื่องที่จะคิดไปหาความสุขไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี้หยุดมันอย่าให้มันคิดพุทโธพุทโธไป แล้วมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิพุทโธต่อให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วพอนิ่งสงบแล้วมันจะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความอิ่มขึ้นมามันจะทำให้เราเห็นว่าไม่มีความสุขกันไหนดีกว่าความสุขที่เราได้จากความสงบนี้แล้วมันจะทำให้เราเลิกคิดไปในทางนิจจสุขขังอนัตตาได้ถ้ามันเห็นอะไรมันอยากได้เราก็จะคิดว่ามันเป็นอนิจจทุกขขังอนัตตา เราจะคิดว่ามันเป็นอสุภะเราจะคิดว่ามันไม่น่ากินพอเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากได้เลยไม่อยากกินอะไรไม่อยากมีแฟนไม่อยากไปเที่ยวไหนไม่อยากเป็นอะไรเพราะเป็นอะไรได้อะไรมาเดี๋ยวต้องทุกข์ไปทุกข์ทำไมสู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงก็คือความสงบนี้เองนี่คือทางไปสู่พระ น, นิพพานไปอย่างนี้ ไปด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนานานๆนจะมีคนรู้จักทางนี้สักครั้งหนึ่งเมีอมาสอนมาบอกเราเดี๋ยวอีกไม่กี่พันปีก็หมดแล้วอีกสองพันการ้อยปีชาหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะหมดแล้วก็ได้เพราะกว่าจะกลับมาเราต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนไม่รู้จะไปติดคุกนานเท่าไหร่ทําบาปกี่ตัวไปทําบัญชีไว้บา้างรึเปล่าถ้าเป็ดค่าไก่กี่ตัวค่าปลากี่ตัว เดี๋ยวต้องกลับไปเกิดเป็นเป็ดเป็นกก่ทุกตามตัวที่เราฆ่าเลยฆ่าเป็ดร้อยตัวก็กลับไปเกิดเป็นเป็ดร้อยค้างก่อนให้เขาฆ่าร้อยค้าคงก่อนแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้กลับมาเกิดก็อาจจะไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ได้หรือถ้าทําบุญมากๆก็ไปอยู่บนสวรรค์เป็นพันปีก็ได้เป็นหมื่นปีก็ได้กว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาก็หายไปแล้ว ก็จะไม่มีใครมาสอนทางธรรมให้กับพวกเราตอนนี้เราโชคดีมีคนสอนทางธรรมและเราสามารถทําปฏิบัติเดินตามทางธรรมนี้ให้สําเร็จได้ภายในชาตินี้เลยเพระพระุทธเจ้ารับประกันว่าถ้าเดินทางนี้ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่ก็ไม่เกินเจ็ดปีก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ ถ้าปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัดที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบุญทำทานให้ครบร้อยเอร์เซ็นตรักษาศีลให้ครบร้อยเปอร์เซ็นตภาวนาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นมามรรคผลนิพพานมันเกิดจากเหตุคือการทำทานรักษาศีลภาวนาเหมือนข้าวที่มันออกรวงเพราะเกิดจากการไถการหว่าน ของชาวนาชาวไร่มันถ้ามีการไถนามีการหว่านมีการปัก ด, ดำเดี๋ยวต้นข้าวก็จะ ง, งอกงามขึ้นมาเดี๋ยวรวงข้าวก็จะออกมาเองตราบใดที่มีการปฏิบัติทานศีลภาวนาตราบนั้นก็จะมีมรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวา่าตเป็นนักบวชเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้าใครทาได้ก็จะได้ผลเหมือนกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศที่วัแต่อย่างใดขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นฉะนั้นขอให้เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางทานศีลภาวนากันแล้วรับรองได้ว่ามักต์ผลนิพพานการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่าตายเกิดก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็ิดวาพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัิตังตุมหังกิปาเมวาสนมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาหะโสยะถามณิโชติ ภาสยธาสพิตโยวิวั h จันโตสัพพโรโวินาศสตุมาเตภวตวันตาโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวาฒนสีริสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมรมวทาติอายุวันโนสุขัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้แล้วจะมีพิธีกรอ่านคำถามให้วันนี้เข้า มาเท่าไหร่พูดติดตามทางบ้านครับครับผมพูดติดตามทางบ้านทางเฟซบุ๊กเข้ามาทั้งหมด290คน YouTube 168คนวิทยุออนไลน์21คนพูดและูดะฟังบนเขา120คนรวมทั้งหมด599คนครับผมการหนึ่งคนนะ600ธรรมดา600ประมาณ600 ถ้าอยากจะถามเอาไมโครโฟนไปกรับานนักการท่านอาจารย์ค่ะโยมมีปัญหาจะถามเรื่องเกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศลให้กับพุณงพ่อที่เสียไปเมื่อสี่ปีก่อนโยมทำทานทุกวันตามที่พระอาจารย์สอนตั้งใจรักษาศีลเป็นปกติแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิทุกค่ำ โยมจะสามารถอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อและเจ้ากรรมนายเวรได้ทุกวันไหมเจ้าคะจะถึงคุณพ่อหรือไม่เจ้าคะส่วนที่จะไปได้ทุกวันก็คือทานที่เราทำาพอทานที่ทำแล้วก็เกิดผลทันทีส่วนศีลกับไหว้พระส่วนวันนี้ยังผลยังไม่เกิดเต็มที่แต่นิดนหน่อยหน่อยเป็นเหมือนน้าค้างมากกว่าเหมือนน้าฝนแต่ทาน ผลที่เราได้จากการทําทานนี้มันเกิดทันทีเหมือนน้ําฝนเห็นควรจะเน้นที่การทําบุญทําทานเวลาที่เราจะอุทิศบุญส่วนการรักษาศีลการไหว้พระสวดมนต์นี้ยังเป็นการสร้างบุญอยู่ยังไม่ได้บุญศีลเรายังขาดขาดเกินเกินอยู่การไหว้พระสวดมนต์เราก็ไม่ได้สวดทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นผลมันยังเป็นเหมือนน้าค้างไม่เป็นเหมือนน้าฝน ถ้าอยากจะให้ผู้รับได้รับควรจะทำทานเป็นหลักใส่บาตร่เบอรจากเงินให้กับที่ไหนก็ได้ให้ใครก็ได้เราสามารถอุทิศบุญนั้นให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ส่วนผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอยู่ที่ฐานะของเขาว่าเขาเป็นขอทานหรือเปล่าถ้าเขาเป็นเศรษฐีบุญเขาก็เป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญอันนี้ ถ้าเขาเป็นขอทานเขาก็จะมารอรับส่วนบุญ น, นี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในฐานะไหนเราก็ทำเผื่อไปก็แล้วกันเผื่อก็เป็นขอทานเขาก็จะได้ถ้าก็เป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องเราก็อุทิศให้แก่สัประสัตไปก็ได้ตอนก็เราก็อุทิศให้คนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าเขาไม่ได้รับก็ขอถ้าเขาไม่ต้องรับ ก็ขอให้เป็นของสรรพสัตว์ที่เขาต้องการไปกัแล้วกันเราก็จะได้บุญจากการอุทิศไปเจ้าค่ะเข้าใจเข้าใจเจ้าค่ ะ, ะ, ะเราจะขอถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเจ้าค่ะคือโยมหัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเมื่อสองสามปีก่อนจนพอสมาธิได้นิดหน่อยเกิดนิมิตขึ้นมาแล้ว เเกิดตื่นใจเอหลุดออกจากสมาธินะคะแล้วตั้งแต่นั้นก็ยังทําสมาธิไม่ได้อีกไม่ไม่ได้เดียวค่ะอยากจะขอกรรมฐานจากพระอาจารย์ว่าควรจะทําอย่างไรให้ ไ, ได้เวลาเวลาทำเราอย่ า, ยาไปหวังผลที่เคยได้แล้วเคยได้นิมิตเคยได้อะไรก็เวลานั่งอยากจะได้ ถ้าอยากได้แล้วมันจะไม่ได้เราต้องลืมไปลืมถึงผลที่เราเคยได้ให้เรามาบำรุงเหตุเหตุก็คือการมีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปถ้ามีสติอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธเดี๋ยวผลก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่นักมาสการเจ้าค่ะเด็กชายอะไชื่ออะไรครับ สัตคุณครับอยากจะถามอะไรครับป น, นมือถามถ้าผมอยากจะละลิกชาติได้ผมต้องทำยังไงอ่ะต้องนั่งสมาธิบ่อยๆพุทโธบ่อยๆหัดพุทโธพุทโธแล้วก็นั่งหลับตาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ละ ล, ะลิกชาติได้ลองทำดูนะต้องทำทุกวันนะไม่ใช่อยากจะนึกตอนไหนก็มาทำตอนนั้นมนะันไม่พอนะ ต้องหัดทําทุกวันไปก่อนตอนนี้เราไม่มีกำลังที่จะระลึกต้องใช้พุโทโธเป็นตัวฉุดกำลังขึ้นมากำลังที่เราจะระลึกถึงชาติต่างๆไปไกลขึ้นอีกแล้วกล้องทางเอานี่ยพระจารยเป็นพุทโธเป็นไหมปินครับทั้งพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธ แล้วเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาหลับตาพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวไม่นานก็จะรับรกชาญได้เด็กกรต้องนี้ิ อ, กอยกยอมีรสชาเก่งมากเก่งตัวผู้ใหญ่ไหมเก่งมากเลยไม่ใช่แล้วอยากจะเป็นซูเปอร์แมนครับมีคำถามจากเ c e บ o ๊ k นะคะจากคุณจารุวันสอบถามพระอาจารย์การที่เรามีคู่ สีไม่เสมอ ER กันเราควรจะใช้ชีวิตในแนวทางไหนคะถึงจะอยู่ร่วมกันได้เจ้าค่ะการที่คนเราจะอยู่ร่วมกันได้นีนอยู่ที่ธรรมะสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งคือจาค่ะต้องมีการเสียสละอย่าเอาแต่ใจเราเอาใจเขาถ้าเอาใจเขาก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าเอาแต่ใจเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ ข้อที่หนึ่งต้องมีจากับข้อที่สองต้องมีสัจจะคือความซื่อสัตย์ต่อกันไม่โกหกหลอกลวงกันถ้ารู้ว่าจับได้ว่าโกหกหลอกลวงนีไปเที่ยวกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ข้อที่สามต้องมีการข่มใจเรียกว่าธรรมะการข่มใจคือเวลาโกรธต้องข่มใจอย่าระบายความโกรธออกมา เวลาโลภ ก, ก็อยา่าต้องคอยกาคอยข่มใจอย่าไปโลกเพราะเวลาโลภมันน่าเกลียดเวลาแสดงความโลภออกมาแล้วมันจะไม่น่ารักคนที่อยู่ด้วยจะเบื่อเวลาโกรธ ก, ก็ไม่น่ารักเนั่ยต้องหัดรู้สึกหัดข่มใจด้วยสติพุโทโธพุโทโธหัดเจริญสติอยู่เรื่อยพอรู้ว่ากำลังโกรธ ก, ก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราโกรธหรือเรื่องที่เราโลภ เดี๋ยวพอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็หายโลภหายโกรธก็จะไม่แสดงอาการที่น่าเกลียดออกมาข้อที่สี่ต้องมีก็คือทันติความอดทนเพราะเราอยู่ในร่วมกันนี้มันไม่มีแต่สุขอย่างเดียวชีวิตมันต้องสลับกันไปกับสุขบ้างทุกบ้างบางทีก็อดอยากขาดแคลนบางทีรายได้ไม่มากขาดก็ต้องรู้จักอดออมรู้จักอดทน ก็จะอยู่กันไปได้ถ้าไม่มีความอดทนพอเจอทุกข์หน่อยก็อยากจะหย่าจากกันเลยก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้ต้องมีธรรมะสี่ข้อนี้ทั้งสองฝ่ายถ้ามีฝ่ายเดียวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเขาก็อยู่กับเรไม่ได้คือหนึ่งจาคะการเสียสละแบ่งปันสองสัจจะความซื่อสัตย์สาม ธรรมะการอดกลั้นข่มใจสีการขันติความอดทนอดทนต่อความทุกข์ยากต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้ามีความอดทนก็ฟันฝ่ากันไปได้ถ้าจะเอาแต่สบายอย่างเดียวพอทุกข์ก็บายบายตัวไข่ตัวมันไปต่อไปคำถามจากคุณทิชาแกรบนมัสการค่ะ การใช้ชีวิตทางโลกโดยไม่ได้ออกบวชจะสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมคะบวชไม่บวชไม่สำคัญนะบวชมันไม่บรรลุ ก, ก็มีเยอะแยะไปมันอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้ามีทานศีลภาวนาที่พร้อมก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสไม่สําคัญ สำคัญอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบธรรสการพระอาจารย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเข้าใจในโล ก, กธรรมแปดจะช่วยให้ความทุกข์ในใจลดน้อยลงถูกต้องหรือไม่เจ้าะ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเข้าใจแล้วปฏิบัตินึกปะเข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ มันก็ไม่ลดหรอกเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแต่เรายังอยากได้ยังอยากได้ลาบยศจัละเสริญยังอยากให้ลาบยศจัละเสริญอยู่กับเราไปนานๆเดี๋ยวพอมันเกิดมันไม่เป็นไปตามความอยากมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่แน่นอนเราก็เลยอย่าไปยุ่มกับมันดีกว่าอย่าไปได้อย่าไปอยากได้ลาบยศจัละเสิญได้กะดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าคิดอย่างนี้มันก็ จะไม่ทุกข์มาถ้ารู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปแต่จะรู้หรือเปล่าว่าตอนมันไปเป็นยังไงเราก็ต้องทดลองดูถ้าเราคิดว่าเออไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่กับมันได้เดี๋ยวมันไปเราก็อยู่ได้มันไม่แน่หรอกมันก็พูดได้เหมือนคนที่กินเหล้าบอกคุณจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลืิกได้แต่แม้นั่มันเลิกสักทีฮะมันต้องลองเลิกดูต้องลองหยุดดูแล้วดูซิว่า ทำได้เป่าเช่นไปอยู่วัดสักเจวันสักสิบห้าวันอย่างนี้อยู่ห่างจากราบยศสารเสวนดูแล้วดูซิว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้าอยู่ได้ต่อไปเวลาเกิดเสื่อมรากยศสาเสวนสุดก็ยังจะไม่ทรมานใจคําถามต่อไปจากคุณวันเวทิเกตเอ็มที does in the mind of an a r a h a n still have conditions like Anger, d e l i s l lots come up, but the mind just doesn't attach to these conditions anymore. No, the mind of an arahant has no defilement, no greed, no hatred, no delusion. It has been completely eliminated by the practice of vipassana, samatha vipassana p v a n a So there are no greed, hatred, no delusion. no cravings no desires in the mind of anahant พาลหารก็ถามว่ายังมีกิเลสหรือเปล่ายังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากอยู่หรือเปล่าพาลหันนี้ไม่มีนะเป็นผู้สิ้นกิเลสไม่มีลาไม่มีโลภโกรธหลงไม่มีปัจจามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอยู่ในใจของพาลหาันแคมถามจากคุณการ การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาธิจะมีอานิสงส์ให้คนในครอบครัวมีความสุขหรือได้บุญร่วมกับเราด้วยหรือไม่ครับจะปฏิบัติธรรมอย่างไรให้คนในครอบครัวมีความสุขหรือได้บุญกับเราด้วยครับอ๋อเขาได้ผลผลกระทบผลพลอยได้คือถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเป็นคนดีคนใจเย็น คนไม่โลภไม่โกรธคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็จะปลอดภัยจากความโกรธของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็มักจะโลภจะโกรธง่ายพอคนอยู่ใกล้ทำอะไรผิดหน่อยเราก็จะด่าจะว่าเขาแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะควบคุมอารมณ์ได้เราก็จะไม่ระบายอารมณ์ของเราออกไปข้างนอกคนที่อยู่ใกล้เราก็ปลอดภัยสบายใจ เช่นคนไม่คนปฏิบัติธรรมก็ไม่ดื่มสุราใน่ไหมคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่ถือศีลเขาดื่มสุราพอเขาดื่มสุราเดี๋ยวเขาเมาเขาก็อลาวาด่าคนนั้นว่าคนนี้ทุกข้าวทุกของแต่พอเขาไม่ดื่มสุราได้เขาก็เป็นคนมีสติคอยควบคุมอารมณ์เขาได้เขาก็ไม่ไประบายใส่คนอื่นอันนี้เป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรมของเราแต่ ผลที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้เราให้คนอื่นไม่ได้เช่นความสงบความสุขที่เราได้ในใจของเรานี้เราให้คนอื่นไม่ได้คนอื่นอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเอาเองคำถามจากคุณจุไรรัตกราบท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะขอท่านพระอาจารย์ชี้แนะ เจ้าคะ่ะทำไมวันที่คิดว่าตัวเองภาวนาดีีดภาวนาพุทโธได้ดีจิตเป็นสมาธิง่ายตัวเบาจิตเบาไม่มีตัวตนจนหลงชมตัวเองว่าทำไมเก่งสุขใจดีแท้แต่กลับมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทันกิเลสเจ้าคะ่ะหลุดโมโหจนคิดว่าถ้าจะโดนถ้าจะโดนทดสอบไม่ผ่านเจ้าค่ะ แต่บางวันภาวนาได้ไม่ดีแต่อารมณ์ในใจกลับดีตลอดเวลาแต่กลับมาใช้เวลาในชีวิตประจาวันกลับดีเจ้าค่ะทันกับสภาวะอารมณ์ดับทันเจ้าค่ะรู้ทันทีดีเจ้าค่ะเราจะต้องตั้งสติวิธีปฏิบัติแบบไหนดีเจ้าค่ะเวลาเราปฏิบัติ ด, ดีก็เพราะาตอนนั้นสติเราดี พอเราออกจากการปฏิบัติมาเราไม่รักษาสติต่อมันก็เลยไม่ดีนั้นเราต้องรักษาสติทุกเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเราปฏิบัติหรือเวลาเราไม่ปฏิบัติถ้าเรารักสติรักษาสติได้ตอนไหนตอนนั้นมันก็จะดีเพราะเราจะสามารถควบคุมใจเราได้เวลาไหนที่เราไม่มีสติเราก็จะรักษาใจเราไม่ได้ควบคุมอารมณไม่ได้ดังนั้นผล ก็ อ, อยู่ที่ผลที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการมีสติหรือขาดสตินั่นเองงั้นถ้าเรารู้ว่าเวลาเราออกจากสมาธิไม่ดีเราก็ต้องพยายามฝึกสติตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิออกจากสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วไม่ดีก็รู้ว่าตอนนั่งสมาธิเราไม่มีสติเราก็ต้องพยายามให้มีสติตอนที่เรานั่ง น, นีสติของเรามันยังไม่แน่นอนมันเหมือน เหมือนเด็กยังล้มลุกคลุกคานอยู่บางเวลาเราก็ตั้งได้บางเวลาเราก็ตั้งไม่ได้ไปตั้งได้ตอนที่นั่งมันก็ดีตอนนั่งไปตั้งได้ตอนที่ไม่ได้นั่งมันก็ดีตอนที่ไม่ได้นั่งนั้นมันอยู่ที่การตั้งสติของเราว่าเราตั้งได้ตอนไหนถ้าตั้งตั้งได้ตอนไหนตอนนั้นก็จะดีตอนไหนตั้งไม่ได้ตอนนั้นก็จะไม่ดี มีคำถามจากบนเขานะคะพระโสดาบันยังมีความโกรธอยู่ในใจอีกหรือไม่คะมีเพราะยังมีความอยากอยูาอย้านาคาไม่ก็ยังมีความโกรธอยู่แล้วความความความโกรธก็จากความอยาก น, นั่เองเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธได้มีพระอรหันต์เทานั้นที่จะไม่โกรธเพราะพระอรหันต์นีตัดความอยากได้หมด ถ้านาการมียังมีความอยากที่จะสงบในฌานอยู่พอตอนไหนไม่สงบก็จะโกรธขึ้นมาได้โกรธตัวเองไม่ได้โกรธคนอื่นโกรธว่าทำไมมันไม่ยอมสงบสักทีนี้ยังมีอยู่ถ้าตามใดยังมีความอยากอยู่ความโกรธมันจะตามมาคำถามจากบนเขาถ้าหากเราเพียรรักษาสี่ห้าฝึกสมาธิแต่ยังไม่ได้ความสงบ เวลาทำบุญให้ทานการอธิฐานใจขอให้พ้นทุกภัยในสงสารขอให้จิตสิ้นอสวกิเลสหากแชินี้ไม่ได้มักผลอะไรชาติต่อๆไปที่อธิฐานไว้จะติดตามไปให้ได้เข้าใกล้พระนิพพานหรืออริยะในขั้นต้นหรือไม่ค ะ, ะการอธิฐานโดยโดยไม่มีการกระทานี่ไม่มีผลการอธิฐานนี้ต้องมีการกระทำถึงจะมีผล อยากจะถูกลอตเตอรี่ขออธิษฐานขอให้ถูกลอตเตอรี่ถต่ไม่ซื้อลอตเตอรี่ไม่มีวันถูกต้องซื้อลอตเตอรี่ด้วยถึงจะมีโอกาสที่จะถูก <einem> คนที่ไม่ซื้อลอตเตอรีอ่อธิษฐานไปจนวันตายก็ไม่มีวันถูก <é. S 1> คนที่ไม่ปฏิบัติทานศีลภาวนาและขออธิษฐานไปนิพพานก็ไม่มีวันไปได้ต้องมีการปฏิบัติทานศีลภาวนาถึงจะไปได้ ดังการในทิฏฐิของเราต้องมีการปฏิบัติเป็นผู้สนับสนุนมีการกระทําเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีการกระทําขอไปเฉยๆขอแบบลอยๆก็ไม่ได้อะไรเป็นลมปากเปล่าเทมถามจากคุณสวัสพยับทองดิฉันขอถามพระอาจารย์ว่าทําอาหารใส่บาตรทุกวันแต่ไม่ได้ไปใส่บาตรด้วยตัวเองดิฉันจะได้บุญใหม่เจ้าคะ เราได้ได้ทั้งหมดนะบุญที่เราทําอาหารที่เราทํานี่เป็นของเราเราจะไม่ได้ก็ตรงที่เราไม่มีเวลาไปใส่บาตรด้วยตนเองตอนนั้นก็เป็นคนที่เอาไปใส่บาตรแทนเราเขาก็จะได้ส่วนนั้นไปแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองไปซื้อกับข้าวกับปลามาทำอาหารนี่เป็นของเราทั้งหมดคนไปใส่ไม่ได้นคําถามจากคุณประเวศแกรบนมัดสการพระอาจารย์ค่ะ มีผู้หญิงคนหนึ่งเคยได้รับความกระทบกระเทือนทางใจอย่างรุนแรงเนื่องจากการสูญเสียบุตรชายพร้อมๆกับมีปัญหาครอบครัวทำให้เกิดการหย่าร้างต่อมากลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทต้องรับการบำบัดยาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปีเธอฝากคำถามมาสามข้อดังนี้ข้อที่หนึ่งคนเราเมื่อถึงคราวตายก็จะตายหากไม่ถึงคราวตาย ก็จะไม่ตายใช่หรือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ตายก็ไม่ตายถ้าตายก็ตายคำถามข้อที่สองการตายทรมานหรือไม่ทรมานขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นกับกิเลสอยู่กับกิเลสอยู่กับความโลภความอยากเวลาตายถ้าไม่อยากตายมันจะทรมานมากถ้ายอมตายมันจะไม่ทรมานถ้าไม่มีความอยากอ ย, กอยู่เวลาตายจะไม่ทรมาน ถ้ามีความอยากอยู่มีความอยากไม่ตายมันจะทรมานมากงั้นเวลาตายพยายามอย่ามีความอยากพยายามปลงล่ไหมัถึงเวลาแล้วแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นตุ๊กตาเราเป็นนายร่างกายเป็นเบาวแล้วก็ให้ดูมันตายไปเฉยๆดูลมหายใจไปมันหมดมันหมดหายใจเมื่อไหร่มันก็หยุด ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันอยู่เราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าอยากให้มันอยู่เราจะทุกข์มากเพราะมันจะต้องทำให้เราเพราะมันจะเป็นไปไม่ได้คาถามข้อที่สามทำอย่างไรให้เรามีจิตใจที่สงบกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ต้องมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆพยายามระงับความคิดปรุงแต่งที่ไม่จำเป็นไปอย่าปล่อยให้มันคิดด้วยเปล่าให้ใช้พุทโธพุทโธแทน เวลาจะคิดเรื่องอะไรแล้วทำให้เราไม่สงบวุ่นวายใจก็ใช้พุทธโธหยุดหมแล้วต่อไปใจเราก็จะสงบคาถามจากคุณหมดอยากก็หมดทุกขอน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์ขอรับถ้าเพื่อนร่วมงานของเราเป็นคนชอบมินทาไม่รักษาศีลชอบเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานแต่เรายังต้องร่วมงานกับเขา แต่ใจเรารู้สึกไม่ค่อยชอบที่ต้องคุยกับเขาจึงคุยแต่เรื่องงานไม่คุยเรื่องอื่นเวลาเดินส่วนกันผมจึงไม่เคยคุยเรื่องอื่นเลยถ้าไม่มีความจำเป็นความคิดและการกระทาของผมผิดหรือไม่ขอรับถ้าถ้าผิดผมควรปฏิบัติต่อคนประเภทนี้อย่างไรขอรับอไม่ผิดหรอกถ้าไม่จำเป็นที่จะซ่อมสังสรรค์จะต้องคุกคีกับเขาก็อยา่าไปคุกคีกับเขา ทำเท่าที่จาเป็นรักษาเมาลัยาติรักษาความเมตตาไว้อย่าไปแสดงความจงเกียรติจงชังอะไรกับเขาเวลาพบปะกันก็ให้มีความเมตตาแต่ไม่ต้องไปคุกคีกับเขาไม่ต้องไปสังสรรค์ต้องไม่ต้องไปทำกิจกรรมอะไรที่เราไม่ต้องทำกับเขาทำแต่เฉพาะกิจกรรมที่เราต้องทาเท่านั้นคำถามจากคุณยาธิดา แกรบ น, นมรสการสอบถามเจ้าค่ะทำอย่างไรจึงจะไม่นึกตำหนิหรือพูดจาตำหนิผู้อื่นได้เวลาที่เรารู้สึกว่าผู้อื่นทำผิดหรือทำอะไรไม่ดีดีไม่เก่งเท่าเราเจ้าค่ะก็เวลาจะตำหนิใครก็กลับมาตำหนิเราก่อนก่อนก่อนที่เราจะตำหนิเขาเราถามตัวเราเองว่าเราตำหนิเราได้หรือเปล่าดูตัวดูความผิดของเราก่อน ถ้าเรายังมีส่วนที่เราตําหนิได้เรามาตําหนิตัวเราดีกว่าเพราะการตําหนิตัวเราได้ประโยชน์กว่าไปตําหนิคนอื่นตําหนิคนอื่นไม่ได้อะไร <t ap S 2> ตําหนิเราเราได้ไประโยชน์เราได้รู้ว่า s. <S เราบ่วงพล้องตรงนี้เราต้องมาแก้ตรงนี้ง mm. ั้นทุกครั้งที่เราจะตําหนิใครก็พยายามย้อนกลับมาตําหนิเราดีกว่าถามว่าเรามีอะไรที่น่าตําหนิไหมตําหนิคนอื่นไม่ได้อะไถ้าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรา ถ้าเรามีหน้าที่ต้องสั่งสอนไม่ต้องบอกต้องเตือนคนอื่นอันนี้ก็ทําตามหน้าที่ได้แตถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปตําหนิเขาอย่าไปตําหนิดีกว่าเพราะจะไปสร้างเวทสร้างกรรมกันเปล่ า, า, าเพราะไม่มีใครชอบถูกตําหนินั่นเองพอไปตําหนิเขาเขาก็จะโกรธเราได้แล้วเขาก็จะมาตําหนิเราเพราะเขาพอเราถูกเขาตาหนิเราก็จะโกรธเขาเพราะฉะนั้นพยายามอย่าไปตําหนิคนอื่น ทุกครั้งที่อยากจะตําหนิให้กลับมาตําหนิที่ตัวเราในตัวเรามีเรื่องให้ตําหนิให้เยอะแยะถ้าเราสนใจที่จะดูมีกิเลสของเรานี่ก็ตําหนิได้แล้วเรายังโลภหรือเปล่าเรายังโกรธหรือเปล่าเรายังหลงหรือเปล่ายังยังงอนหรือเปล่าท่องให้ตําหนิได้เรามีศีลหรือเปล่าเรายังทําบาปอยู่หรือเปล่าตําหนิตัวเราดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าทุกครั้งที่อยากจะตําหนิใคร ตํานิเราดีกว่าให้คิดอย่างนี้คําถามจากคุณยวมานอัคคณิตถ้าเราพิจารณาถึงไตรลักษณ์ตลอดเวลาเราจะเข้าถึงความเป็นโสดาบันได้ไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่การพิจารณาตลอดเวลาอยู่ตอนที่เวลามันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วพิจารณาตอนนั้นหรือเปล่าถ้าพิจารณาตอนอื่นพะตอนเกิดความอยากขึ้นมาลืมไปหมดก็ไม่เกิดประโยชน์ไ พิจารณาตลอดเวลาเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ดืงพอเกิดความอยากเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ต้องเอาปัญญามาห้ามความอยากนี้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามไม่ได้อยากไม่ได้อยากก็ไม่ได้อยากแล้ทุกไปเปล่าๆถ้าทําอย่างนี้ก็จะได้เป็นได้เป็นโสดาบาลแต่ถ้าคิดอยู่ตลอดเวลาแต่พอเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายนี้ลืมไปหมดเลย พอผมหมองหน่อยก็ไปย้อมเถอะนะพอหนังเหิวหน่อยก็ไปดึงนะอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้หลอกตัวเองตอนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็จําได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเจอความแก่ความเจ็บความตายลืมไม่หมดเลยพยายามที่จะแก้มันพยายามที่จะเปลี่ยนมันอย่างนี้ต้องต้องทําได้ทั้งสองเวลาคือเวลาที่ยังไม่เจอเหตุการณ์ก็ต้องหัดท่อมหัดจํำไว้ก่อน แล้วพอเจอเหตุการณ์ก็ต้องเอาอนิจจังทุกขังอนัตตา ม, มาใช้ทันทีถ้าใช้ได้ก็บรรล<ด>ุได้คำถามจากคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกระบเบียนถามหลวงพอ่อกระผมมีข้อสงสัยว่าถ้าบุญที่เราทำเปรียบเหมือนเปรียบเสมือนเงินเงินที่เก็บไว้เราสามารถนำมาใช้นิยามจำเป็นได้ แล้วบุญสามารถนำมาใช้ยามจำเป็นได้ไหมครับหรือว่าต้องรอจนสิ้นลมเราถึงได้รับผลบุญผลบุ ญ, บญมันตอนที่เราอยู่เราั่้ทำจิตใจทำบุญแล้วเราได้ความสุขใจอิ่มใจส่วนเงินทองที่เราเสียไปนี้จะได้คืนก็ตอนที่เรากลับมาเกิดใหม่เพราะเป็นเหมือนการปลูกข้าวปลูกข้าวปีนี้จะกินข้าวของปีนี้ต้องรอปีหน้า ข้าวที่เรากินปีนี้เป็นข้าวที่เกิดจากปีที่แล้วผลบุญที่เราได้รับใน <_ d roid> ชาตินี้เป็นผลบุญที่เกิดจากบุญที่เราทำในชาติก่อน <_ d roid> ผลบุญที่เราจะได้รับในชาติ <_ d roid> ผลบุญที่เราทำในในชาตินี้เราจะรอรับในชาติหน้าวเวลากลับมาเกิดใหม่เงินกลับมาแล้วลลร่ารวยเงินทองที่เราทำไปเราพูดถึงเงินทองนะแต่เรื่องผลทางจิตใจเ ร, เรารับตั้งแต่เราทา พอเราทําบุญปั๊บเราก็เกิดความสุขใจอีกใจขึ้นมาทันทีแล้วพอเราตายบุญนี้ก็จะเป็นตัวส่งให้เราไปสวรรค์ทันทีอันนี้เกิดขึ้นได้แต่เงินทองที่เราทําในวันนี้อย่าไปคิดว่าทําบุญใส่บาตรตอนเช้าแล้วตอนบ่ายไปทางหวยแล้วจะถูกอย่างนี้มันมันเร็วเกินไปเข้าใจไหมมันต้องรอชาติหน้านะใส่บาตร สายบาดวันวันหัวยออกทุกทุกทุกงวดไปแล้วชาติน่ากลับมาแานหวยแล้วรองได้ถูกแน่นะแต่ต้องรอชาติน่านะเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกข้าว้วจะเอาข้าวที่ไหนหกินข้าวปีนี้ต้องรอกินปีหน้านะข้าวที่เรากินปีนี้เป็นข้าวของปีที่แล้วถ้าเราไปททนหัวยแล้วถูกก็แสดงว่ า, าชาติก่อนเราได้เราได้ทําบุญไว้ก่อนเราถึงถูกหวยในชาตินี้